ใครมีอะไ ร, นะรมั้งทางนี้ทางรู้เรื่องว่าแบบรู้บางไว้รูบร้บางไปดูเขาไม่ได้เ ก, ก, กิดในศาสนาเขายังมาบวชได้มนาะ <c oughs> เกดิดในศาสนาไม่เห็นตปนฆ่าของศาสนามีอะไรป่ะเ <c oughs> ชื่อเชื่อป็นไยเดวยวนะ I have some Thai o k o t the books f r Okay. e y y e ช่วงนี้เราทำง่านแล้วก็สมาะเมัาวลาังสมอยากถามอาจารย์เวลาที่นั่งล้จารยเหว่าลมหใจเนี่ยเหมือนมันชัมันขึ้นแนวเิเหงีค่ะมันไดไปสนใจมันให้อยู่ที่ปลายจมูกก็พอให้รู้ว่ามันเข้ามันออกใช่ไห จะไปรี่ตมันตัากกว่ารู้ตรงไหนก็ได้รู้ว่ามันเข้ามันออกแค่นั้นแหละไม่ต้องไปรู้ว่ามันเด้งมันลงมันอะไรหรอกให้รู้ว่ามันเข้ามันออกเดี๋ยวแม่จะกลับคือแม่จะไปคิดอะไรที่ให้รู้นี่เพื่อแม่มจะไปคิดเรื่องอื่นเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ลมเป้าหมายอยู่ที่ความคิดต้องการจะหยุดความคิดถ้ามความคิดมันไม่อยู่มันก็ไม่สงบเพรา่ต้องมีอะไรให้มันหยุดคิด ไมวต้องวางจิตให้ให้นั่นคือให้วางจิตอยู่ที่ลมให้รู้เฉยๆให้จิตหยุดคิดอย่าคิดทไให้มีอะไรเ้าดูพุกโธก็ได้ถ้าใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธทำเดียวการน้ดีขึ้นไมคะคิเบดเมนนี ก็นิ่งก็ไปไมนิ่งไปนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่ง้มันนิ่งนานๆถ้ามันนิ่งแบบมีความสุขได้ยิ่งดีตอนนิ่งยังไม่สุขเริ่มเริ่มจะแบบเมือนว่าไม่ไม่เครคยดแบบเออลรู้สาบายสบายเออพช่ไหม พยาไมา่อยู่เป็นศุขอยู่เฉยเป็นศุขแล้วแท้ได้แล้วเป้าหมายก็คือให้ใ ห, ให้ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรให้อยู่เฉย ม, มีความสุก็จบแล้วเนี่ยที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อตัดทิเลตัดความอยากต่างๆไปอยู่เ า, วางวันที่สคื อ, อรู้สึกอารมณ์ปกติตจะดี เหมอนว่ยาอะงสิ่ก็มต้องต่อเนื่องถึป้อนรพยายามจรับสติตลอดเวลานอกจากเวลานั่งก็ต้องก็ต้องควบคุมต่อไปถ้าไม่ดูลมก็ดูล่างกายดู เวลาเดินก you ็รู้กําลังเดินเวลากําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทาของร่างกายอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้พอทราบความคิดมันขึ้นมาแต่มันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่อย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไร่ไหมก็ไม่ต้อไปสนใจมันอย่าไปคุยกับมันมันมันชวนคุยอย่าไปคุยกับให้รู้เฉยรู้ว่ามันยังคิดอยู่ก็ต้องพยายาม อะไรวิ่แก้เหมือนให้พุทธโทแก้หมึงก็ได้ถ้ามันคิดก็พุทธโทพุทธโทรไปสวดมนต์นไปบ้างก็ได้ดูอาการสาหอยู่สองไปก็ได้หนขนเล็ตอนหนังเนื้อเอ็น ก, ะกระโดดเลื่อในกระโูกมากหัวใจสั่บฟังหูตาย่อดใช้ใหญ่ใช้น้อ่องไปก่อนก็ได้ท้องชื่อไปก่อนอันนี้ก็คือนลูกแบบที่ต้องทํานุ ทำทุกลงหายใจเข้าออกไม่ได้ทำทุกวันนอกจากเวลาหลับเท่นั้นพอนตื่นขึ้นมาก็ต้องทําเลยถ้าอยากจะก้าวหน้าถ้าอยากจะอยู่ที่เดิมก็ทําแบบเดิมถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องสติตัวนำเลยพอตื่นขึ้นมากส็สติออกมาก่อนเลยไม่ใช่ เไม่ใช่เพราะเตินเพราะกิเลยรมาก่อนแั้วคิวแล้วอยาจะกินนุ่นกินี่ะนะควาสติกับสมาธิแต่ละคนเนี่ยมันตัวอะไรมันเด่นกันามัชอ๋อไม่สมาธิมันมาจดจากสติสติเป็นเหนเนเนตุสมาธิเป็นผลถ้าเราเจริญสติแล้วสมาธิ อ, อ่ามันก็จะมาแต่ต้องนั่งนะแค่แ น, นี้ มันถ้าไม่นั่งมันจะมาช้ากว่ามายากกว่าถ้านั่งมันจะมาง่ายกว่าเดินจงกรมนี่มันก็มีสมาธิได้เหมือนกันแต่มันยากกว่ายากกว่านั่งหรือหรือคำั่งเลยเจสติ่างทีบนั่มันไม่ช้าก็แบบอยู่ที่แบบว่าตะแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้ได้ได้ถ้าไม่ถ้าไม่คิดถ้าไม่คิดก็ได้ เคิดก็ไม่ได้จะไปดูวเครานิสิตอะไรอย่างนี้ดงเนื้อดึงถ้ามันมีอะไรทำก็ได้เปนหลายย่เหอเหมือนจิตอะเลยท่าบอก้เบื่ออะไรอย่างี้แบบคือเหมือนพยายาอย่าไปเชื่อมันเลยก็ทำาแต่ว่าเมนถ้าทารูปแบบเดียวก็บอกพระพุทธเจ้าคูบาจารย์เองท่านเบ่เลย จะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อคูบาจารย์เชื่อเจ้าวามันจะตภาวนาที่สนุกจะตายถ้า่านภาวนาทุกวันทั้งวันทั้งคืนท่านสนุกของท่านเรากับเบื่อให้เบื่อไมานา ต้องเึืงถึงพพุทธเจ้ามน่องถึงครูบาอาจารย์ทำไมชาบนรื่งถึงแต่กิเลสเนยะวลากิเลสมันโผล่มาก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าขึ้นมาสู้เราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศิษย์กิเลยมัาไม่ฟังกิเลย <c oughs> อยานี้ไม่ชนะมันนะถ้าเชื่อมันก็กจบเชื่อมันก็ก มันก็เอาไปใช้เลยทวลาดูทีวีนี่มันเลือเกินเดี๋ยว่าจะดีรเล่นเกมโทรศัพท์นี่หัตาแจ้งเพราะว่าภนามันนี้เป็นอย่างนี้พี่หลือกไม่ครอง่ายมากว่าจาเจะตัดมันต้องเกยมันอย่าไปทตามมันทู้มันต้องมันเป็นฆ่าสิทธ์ของเาทตามที่เลืก็เท่ากับให้มันมาฆ่าเรา เปิดประตูให้ข้าสุดเ ข, ข้ามือข้าศกระตูย้้าศึกเข้าขขมือ่หนูยืนสมาธิอะค่ะยืนแล้วหนูก็ดูการ ด, ดูกระดูกะคะ่ะดูเสร็จหนูกด็ดูเส้นผมดูวิเข้าไปถึงรากผมหนูก็ว่าเออเลือดเนาะเลือดที่มันเลี้ยงผมเราเนี่ยเลี้ยงขระนี้มันยังร่วงก็เลยมัพวดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ เรก็ดูลงไปถึงฟันเขาเลยว่าเอออายุ37ฟันร่วงไปแล้วซี่นึงตอนนี้42กำลังปวดข้างเพราะว่านี้นนนนนอแล้วทีนี้การเคี้ยวอาหารมันก็จะบุกรองแล้วนะเราก็ดูลงไปถึงลำไส้แล้วก็แล้วมันก็สบายเบาแล้วมันก็มีความสุขกับตวงำไส้อะอก็ดีค่ ะ, ะ, ะแต่ทีนี้หนาก็รู้สึกว่ารมหายใจของว่าเข้าสัา้นออกสั้น ก็พยายามดูว่าตรงไหนที่มันเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่มีทุกหนูก็ดูถึงอุ้มเท้าสองข้างมันมีการขดตัวค่ะแล้วก็นองนั้นเบาหมดเลยค่ะแล้วก็ยืนเหมือนถ่มโยนค่ะแล้วก็มีกลุสูญอยู่กระแทกแล้วนึไปไหนเพราอก็ดีไงได้หนูก็เลยว่าเอ้หนูทาคนกันไหมสมาธิเาวพนาอะไรหนูก็นึกเาใจหน่อยตอนนี้มันก็เรียกว่ากายกตาสติ ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติหุดสติหยุดความคิดตูแต่ปัญ้าไม่มีมันอไม่คิดถึงไฟนอาใจก็เรีย็นสบายชุบอยู่ในตัวแล้เป็นการทําสมาธิแล้วก็ทําปัญญาควบคู่ไปด้วยและอย่างนี้ผมไ่มั่ไม่มั่วไม่มั่วได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้รวมกันหรอคะ ถึงความจริงของร่างกายประมาณ50นาทีหรือว่าร่างกายตรงแบบไม่โยกโพงแม่อะไรเลยดีอย่างนี้ดีทําบ่อยๆทำบ่อยๆก็พยานอยู่ในกายอย่างเดียวแต่ว่าเราทำมาหายกินแล้วหลงพ่อนะเย็บผ้าเย็บอะไรก็เนื้อคืนได้ก็อายุกายถัดไปถ้าเกิดมีการมาลงก็นึกถึงไออาวัยวะต่างๆในร่างกายของคนอื่นของคนที่เรามีการมาลงด้วย แต่มีสามีค่ะแต่หนูรู้สึกว่ากามลดเพราะดูของเขาบ้างแต่ว่าทำไงได้หนูมีสามีก็ทำไงได้ก็ดูไปสิค่ะก็ดูมันจะได้เลื้ยงเขาได้ก็ถึงก็ดูเขาด้วยนะดูเราด้วยเป็นประสบการณ์คู่ก็ดูเขาถึงเราถึงจะปล่อยเขาได้ต่อไปเราก็อยู่คนเดียวได้ อี่คนนี้ได้สบายแม้จะเป็นกระสอบทรายของไทรแต่ลึกซึมันก็ลดลงนะแต่ว่าเราลดเขาไม่ลดนะ้อดี๋ยวเขาก็อยู่กับ้ราไม่ได้เขาก็ไปเองปล่อยก็ได้แม่ไม่ได้ไม่น้องใช่อยู่แวปล่อยก็่หลพ่อคะหลอถามนอกลู่นิดนึงการไปนรกสวรรค์นี่เราไปแบบไหนคะไปที่จิตเนี่ยวันนั้นหนูมีนิมิตฝันว่า มีคนบอกว่าเธอมีแบงแบงลายคามเขาบอกมาดูสิเขาว่านี้หนูก็เลยเอาออกมาดูแบงเหมือนอ่างนี้เราก็ดูดูดูเรก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงคะแบงลายคามเขบอกว่ามันจะมีงอนตรงปลายสี่ชิดเราก็ดูว่าเออมีใบมีอยู่ใบหนึ่งทีนี้ก็หราก็ไปเลยเหมือนไปดูนรกค่ะเห <Okay. S 1> มือนไปหนูก็ยืนดูภาพเหมือนแบบ มันหนังตัวอย่างเลยหรวก็่ อ, อ, อแต่ว่าในในหนังนั้นนคือว่ามีแต่แบบคนโดนพอลามาโดนอะไรนะอย่อางเงี้ยพอลาณตีสามไปนรกไปด้วยเสียบนะไปมาแล้วหรอกฝ <laughs> ัน <laughs> <ด>นี้ก็ฝันนี้ก็ไปสวรรค์ฝันร้ายก็ไปนรก <laughs> แต่มันเป็นเพียงเพียงความสันมันมันไม่เป็นประโยชน์ของการตัดกีเลศอย่าไปสนใจเลยถ้ามันมาเองก็ถ้าเรา ถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยมันมาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันมาเราก็อย่าไปสนใจ แ, แต่เวลาเราหลับนี่ลราห้ามไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่เวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจในรลกสวรรค์ให้สนใจกิเลสตัวเดียวใสนใจว่าทํายังไงก็อะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสทำมันยังไงดีเป็นิดก า, ารมารวมขึ้นม า, านี้จะตัดยังไงจะต้องนึ่งเฉอกับสุภาษิต นึกถึงนลำไส้ตับไตไส้คุณนึกถึงตัวเองเน่าของเราของคนอื่นเลยของคนทอ่เของคนที่เราอยากจะไปนอนด้วยพอพอดูดีๆแล้วหนูก็ว่าไม่มีหญิงไม่มีชายครั่อมันก็มีแค่สามหรืสองชิ้นเนี่ยตอนแรกหนูนึกว่าเออถ้าเราเป็นผู้ชายเราคงได้บวชเนาะแต่หนูนึกไปเออเราเป็นผู้หญิงเราปฏิบัติได้แค่นี้ก็บุญของเราแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจถ้าใจมีธรรมมากก็บวชได้ ท่าใจไม่มีธรรมะเป็นผู้ชายก็บวชไม่ได้บวชไม่บวชนี่อยู่ที่ว่ามีธรรมะหรือมีกิเลส ม, มันได้อยู่ว่าเป็นหญิงหรเป็นชายรู้ไหมนี่แหละเห็นร่างกายนี้ต้องไปดูของสามีบ่อยๆจะได้เบื่อจะได้หายหลงจะได้หายหลงจะได้บวชได้สามีทิ้งก็จะได้ไปบวชได้เลย สงสารเขาจะทิ้งหนอไม่เอาหรืไม่เอามาัดขนไ่พานี่ยเราสามีแท น, นอยาก ไ, ไ, ได้ก็ทิ้งสามีเลยที่เขาจะใจจะทิ้งลูกทิ้งเมียเลยนนนนนนเก็บไว้ทาไมเดี๋ยวเาก็ตายจากเราแล้ว ยกันไมได้สกิบจรมันก็อยู่กันไม่นานเราเอานิพานดีกว่าเมื่อเราเราจะไปก่อนเขาาไปก่อนนิพานนี่อยู่กับเราไปตลอดไม่เอาเดี๋ยวนี้หนูคิดไว้ตลอดความตายลูกเต้าเหมือนกันนะส่งรถไปโรงเรียนเรียนให้ดีนะลูกและจิตมันจะไม่ไปว่าลูกจะเป็นยังไงว่ารถจะชนรถจะอะไรไม่ไปคิดตามะดีแล้วะว่ามันแล้วแต่เวรตกรรมอแสดงว่าฟงได้เยอะแล้วนนิจังยามสอนเหนนิจัง ต้องตอบไปต้องเห็นแล้อนัตตาว่าขอก็ไม่ใช่ตัวตนเขาเป็นเพียงร่างกายไปที่ตายไม่ไี้เป็นลูกเราหรอกลูกเราไม่ตายใจมันไม่ตายเรู้เลยค่ะว่าถ้าเราตายเนี่ยเราก็ตายแต่กายตายแต่จิตเราเนี่ยจะไปสูงไปต่าไม่ได้ตายจิงเราตายปลอมร่างกายมันตายปลอมเราไม่มีการกายตายจริงไม่มีมีแต่ตายปลอมมีครั้งเดียวที่ร่างกายมีนตายเหมือนตายปอม อัดือก็ไปได้ร่างใหม่มาเหมือนล้วเมาหลานนาับก่อนแล้วก็นะใช่แตืต่นขึ้นมาได้ร่างใหม่เติมล่างช่วงที่ตายไปเนี่ยมันก็จะฝันดีฝันร้ายก็ฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันร้ายก็ไปนรกแล้วพอมาตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายร่างยืนอยู่ในสดาพไห น, น, น, นไหรือทิดนโน้ อยู่นี่หลพ่มาครังรกนค่ะนอ่ลงพ่อหลรอบวค่ะม่เเห็นหน้านั่งอยู่มุมบนใดตลอดเลยคคยาัหาใช่มยค่ะตอนนั้นก็เนาเดินสมาธินะที่ถางเราก็คิดว่าจิตมันรวมมันดูกระดูดแล้วก็โอส้นนี่พรพายยกเลยเราไม่ต้องยกของเปลี่ยนมันพาเองไงตัวเบาเบาสบายเดินได้ทั้งวันหรอว่าเเป็นกระสี ไม่เราก็สมาธิใช้สติกับเพ่สติ่เพ่งคือสบายในกายดูไล่ดูมันไปเองอ่ะใช้ร่างกายใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติกายะกตาสติดูอาการสามีสองดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีเลยจิตไม่ออกถ้าจิตออกน่าเราจะโค้งทันทีรู้เลยว่าเราแวบแล้วนะของจริง อจริง่องอะไรงคนมาเล่านี่มันฟังรู้นะพูดจริงไม่จริงหนูรู้หนูหนูแบบหนูโดนแต่ตัวเองเพิ่งจะถามเป็นนะคะอแต่การฟังนี่ฟังทุกเรื่องสารพัดแต่เราก็แบ่สัตว์แต่ว่าฟังแต่เราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงตอนแรกครูบาอาจารย์บอกว่ามันยังงู้นยังงี้อย่างนั้นนะเราไมไม่เคยได้โอ้เราใส่ปากหนาเราใส่ปากหนาเรา พอทีนี้หนูรู้เลยว่าความเพียรเราหย่อนที่เราชบไปอ้างบาปเลยครั <laughs> <laughs> ชอบไปอ้าบากรนมโทษกรรอย่างเดียวความเพียรต่ำนี่ตัวสาคัญแก็เลยว่าพระอาจารย์ก็พยายามตกหัวเราเข้าทางอยู่นะ <laughs> แต่เราก็ออกนอกลูจะ <laughs> ยอมไปด้สิหม <laughs> อให้ไปเดินจงกรมก็ใหม่ไปนั่งสมาธิก็ใหม่ไป่นะนนาปนชีนเนี้ยเราอยู่นะแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติเลยท่านยาามเนี่ยนพระอาจารย์ ชี้เนี้ยเนข้าอันธรุษเนี่ยค่ะผมก็เข้าใจว่าท่านอยากให้เราเดินตามที่ท่านเดินไปแล้วเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนแจ้งสอนพวกเราอยู่เนี่ยค่ะพอเดินไปมันก็ไปถึงทุกคนหลไม่ยอมเดินกันไปเองเพราะว่าความเพียนต่ำเนี่ยทำเนี่ยความเพียนบางทีอ่ะไปแล้วชอบอ้างนู่น้านี่ไม่ยอมทำความเพียนเลยทำอะไรอยู่อยู่ที่พัทยานี่เหรอ อยู่เครือซาพักค่ะขายของพลาสติกแล้วก็ซ่อมผ้าตะผ้าด้วยค่ะไม่ได้ไม่ได้ทํากับบริษัทใช่ไหมทส่วนตัวก็เลยมีเวลาดูตัวเองค่ะเป็นตลาดนั้นหรือว่าเป็นตลาดขายในบ้านขายในบ้านเป็นหมู่บ้านหรือว่าอยู่กับบ้านก็เปิดดีๆไปจานกอกหมูฟังมามานานก็ถหลายแล้วอันนี้หนูเพิ่ง มหาวิจารย์หนูเพิ่งเคยมาช่วงเข้าพรรษาเมื่อกี้เข้าพรรษานี่แต่ก่อนหน้านี้หนูก็ฟังหลงปูดสางวานหลงพ่อสนองค่ะแล้วก็สัญญาจะไปปวดที่ว่าท่านค่ะสถาปน์กาสถาปน์กก่อนก็ไปไม่เป็นก็สรรหาโทรถามว่าไปไงอะไรเงี้ยคือเราสองหาค่ะถ้าไปเป็นก็มีเวลาก็ไปนี้ พอรู้ว่ามีพระอาจอยู่ตรงนี้หนูก็ตอนแรกขอใส่รถเข้ามาค่ะวันนี้มารู้ทางแล้วมาเองเลยมีรถนายนค่ะอรถนายค่ะมาแต่าน้อชอบเหมือนกันนี่เขากไม่มีครอบครัววิชาก็อยู่อกไม่มีครอบครัวดีสินแปรถถือได้สบายนูแล้วก็มันอย่างว่าแล้วก็มันค้นหาธรรมะช้าไปค่ะเจอช้ามาก นี่เรามีครอบครัวลแล้วก็เออมีปัญหาครอบครัวมีลูกมีสามีแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเราจะคิดจริงจริงมันก็เป็นข้ออ้างาปัญหาของตัวเราหนูก็เลยว่าเออปฏิบัติไปเรื่องมันยังไม่ถึงที่สุดคตอนนี้เอาแบบเอาให้พ้นรมณ์ก่อนแล้วกันเออเีย่าไปทาบาปนะะถึงห้านี้ให้ให้รอนเสร็จครบถ้วนครับ ย, ยังไล่ไป อ, อ เล่นมาเที่ยวหาข่าไม่รู้ยามตายดีกว่าที่ทำบาายามตายแล้วไม่ทำบาปได้นี่แสดงว่าไม่ไปเกิดในบาปแน่ๆอย่างนี้มันลุขั้นต้นอย่างนึ่งก็เผาดาได้แล้วถ้ายอมตายถ้ายอมตายเพื่อรักษาสิ่งนึ่หนูเทียบเลยนะชีวิตเขากับเราก็คือหนึ่งชีวิตนะคะของเขาก็มีค่าเราอเราก็มีค่าเหมือนกันถ้าค่าเขากค่าเราไม่ดีกว่า ไฟมีอะไรไหมถ่ายอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบเอาเนะี่ย I have มันดีก็ทำไปใหมันีก็ทำไ้ไม่ไม่ไม่าง่นคือเหมือนเราเรารู้สึกว่ามีแสงสว่างตรงที่ที่ัก่แล้วก็เพ่มดูลรู้สึกว่าเหมือนมีจิตมันรวมดีรวมดีก็ใช้ได้ก็ทำก็ทให้มันรวมรวมใจแก็ไม่ค่อยดีก็มันไม่ต้องสี่สิอย่างให้เลือกอย่างไหนก็ได้เหมือนกับข้าวไม่ต้องสี่ิชนิดเนี่ย คุณอยากจะกินอัไหนก็ดกินขอให้กินแล้วมันอิ่มก็แล้วกันแต่ต่อไปแล้วมั น, มนจะเป็นแบบว่ามันก็ยังเข้าทานได้ถมคะถึงว่อสมาธิอ่ะมัน ท, ทุกครั้งเราก็ไม่ต้องบองเพ่งใช่ไหมคะแต่ครั้งแรกก็แล้วแต่คุณทำให้มันไอ้มันรวมได้ยังไงวิธีไานก็ทาเลย ถ้าจะนัสมาธิก็ทำอย่างนั้นไปได้ก็่วิธีไหนทำแล้วมันรวมได้ก็ทำไปเรื่อยลองผิดลองถูค่ะหาวิธีวันนี้ต้องสสิวิธีวิธีไหนที่ทำแล้วมันได้ผลก็เอาวิธีนะั้นแล้วพอจะสมาธิมาก็ต้องออกทางปัญญาต่อขจนาการสามีสองขจนาทราบจบ เกลียดเจ็บตายศัลาการเ ง, งินสองดูว่ามีตัวเราอยู่ตรงนี้หรอือเปล่าแยกแยกใจออกจากร่างกายใจมันเป็นหลงเที่ออยู่ในร่างกายนี้ลองไปค้นหาว่าใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมอย่างนี้อยู่ที่ผนเวล่อตัดผมไปแล้วใจหายไปกับผมหรอือเปนนล่าใช่เมื่ถอนฟันไปแล้วฟันใจมันหายไปกับฟันเมื่ไหร่ใจมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม เออต้องพิจารณาแยกแยะให้เห็นว่าเป็นอนัตตาร่างกายไม่มีตัวตนให้เรื่อเป็นอนิจจังมันแก่แล้วว่มันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเสื่อมต้องตายให้เห็นว่องเป็นลักษณะไม่สวยไม่งามให้เห็นว่ามันเป็นน้ำนมใสลายตายกลายเปนอะไรเผาไปแล้วหรืออะไรหรืออะไหรอว่หรือขี้เถ้าหรือขี้คมว่าใส่โคนต้นไม้ก็ดินไง เป็นเด่นางกายนี่มันเรามาเ ล, เล่นเล่นเล่นกลให้เราดูเดี๋ยวป๊บเดียวก็หายลเลยอย่างเมื่อวานนี้เราก็สังเกตดูไปไ ป, ไปในโบสนั่งประชุมกันทางปฏิโมกก็จุดทูบสามดอกจุเดเทียนล้พอเาตรวเสร็จมาดูอ่ะูบหายไปไหนแล้วเทียนหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้มัน ไ, ไม่เที่ยง่ะไมหมดวเวลาร่างกายนี่ตอนไหก็อย่างั้นแหละเดี๋ยวมันก็หายว่าไป แล้วจะไปไปยึดไปติดกับมันทําไมไปว่าเป็นตัวเราของเราทำไมให้ทุกข์ไปกปล่าเปล่าเนี่ยปัญญาในมองจะ ไ, ได้ปล่อยวางมันได้จะ ไ, ได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บกลัวเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยู่กับมันไปให้ได้ไอ้ที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายมันทนกับความกลัวจะกลัวไม่ได้เวลากลัวแล้วมันเสียห ว, วหัวใจมันปวดหัวใจ ถ้าไม่กลัวมานแล้วไม่เจ็บหรอกมันทนได้แต่ว่าให้ใจดีสู้เสื อ, ใ จ, สสอใจดีสู้ความเจ็บไว้เอออย่าไปกลัวความเจ็บเจ็บเหมือนเมื่อกี้ขหนูนั่งทร่ลองไว้จำคุยกับกหน้าเอ๊ะเห<อ>มือนเราเก่งหมือว่าเหมือนเหมือนเก่งเข่าถ้าลองวางมาสิวางทีนี้มันก็สบายเอ เราไปเก่งมันเองเอาเกงมันเหมือนันหนักเออมันหนักไปไหมเด็กก็เยวราเก่งมันหรือเปล่าก็เอองวางซิเจะบอกนี้นีมันวางมันก็อ่าจสบายนะทีนี้ทีนี้เราก็ฟังลมอ่ะแต่ว่าลมผ่านมาเดี๋ยวมันก็หานไปเก็ธรรมาชาติเลยค่ะ <laughs> อ, อย่างมาเราไปเกิด เ, เราดับเกิดเราดับยไปยึดอย่ไปิดยึนแล้วเวลาไปจะเสียใจฮะ ถ้าอยากจะให้มันหามยไม่หายก็ก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ตอนนี้ฝนตกเสียงดังนีอยากจะให้มันหยุดก็ไม่หยุดมันก็ทุกข์อยูแต่ถ้าปล่อยมันปล่อยมันมันอยากจะดังก็ปล่อยมันดังไปธรรมชาติของเขาได้ก็ไม่ทุกข์อะไรใจต้องเป็นกลางเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยจะเฉยได้ต้องมีปัญญา มันก็แวะคิดก็ถ้ามีปัญญาก็เอออย่าไปคิดเลยอฏิบัติไปแบมาถูกทางแล้วเดี๋ยวชาตินี้ได้หวนเนีข้าทานหนูบอกลูกหนูนะรูกสาวสองคนบอกว่าไม่ต้องมีข้อมีพอหรอกลูกเอ้ยมันมันทุมันยากมันลากพอผู้ชายเเหลือมันอยู่กับเราเนาว่างี้หนูคิดแล้วว่าหนจะมีถ้ามีก็ควแล้วจะได้เหมือนพ่อเราอ่ะเออว่างนี้ แมแล้วแม่ไม่เสือกองตระกูลเหรอลูกหลานบอกไม่เป็นไรลูกสบายวัดได้หมดเลยนุยแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะฟังเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรคุยกันไปใให้เขาคิดเขาสอนเขาไปให้เขาคิดสอนแล้วถึงเวลาเขาจะได้คิดได้สะสมไปเรื่อยเขาต่อไปเขาจะได้รู้ว่ามีทางอีกทางหนึ่งไปได้ไม่ต้องไปทางนี้หรอกไม่ต้องไปมีหัวมีลูกหรอก ทางไม่มีโผล่ไม่มีร่องแบบแสนจะสบายไม่ไปเลยอยากรู้ว่าถ้าหนูพ้นเจอธรรมะไวกว่านนี้นะหนูก็คนเจะไม่ได้สร้างทางนา้ำเราบอกไปสร้างบุญอย่เดีย ว, นวนนหน่อเยเมื่อก่อนเนี่หนูก็่เย็บผ้านี่หก้มหน้าใส่จับหัวฟูเป็นเดี่ยวเพิองแบบใครไปไหนก็อาัยก่อนเทอเรานี่เยอะเรายังไม่ไปเรายังไม่ไปนี่เยอ ะ, ยอะนะลูกค้าลูกค้าจะมาผ้าไม่เจอเราก็ปวด คือว่ากิเลสมันหนาหัวใจมากอะค่ะคือสลับไม่ได้เลยแม้แต่เธอจะไปไหนนี่เกี่ยวว่ไม่ได้พอทุกวันนี้นะเส้นจะไปวัดจะไปความธรรมไม่สนแล้วใครจะเอาเงินเท่าไรก็เอาไปเถอะเพราะว่าอันนี้ซับไพ่นอกอหะแล้วกับมาแล้วก็หาได้แบบนี้ใจก็ไปไม่ได้แต่ว่าแค่เราจะใช้ให้อยู่ในโลกเนี้ยค่ะที่มีความสุขสบายก็เหมือนแบบ บเน็กิเลสนะคะอยากได้รายอยากได้บ้านก็มีซื้อบ้านอยากได้รถก็มีซื้อรถค่ะแต่ว่าบนเนี่ถ้าตายไปชาติหน้าไม่ได้สร้างนั่นหมาว่าจะขอทานนนอะไถ้าบนชนี่เป็นอาจารย์ได้ทอเราได้เลยมีแววเ <l ux> ล <uk S 2> ูก <ล uk S 2> ่ <ล uk S 2> ินหนูมาเยี่ยหาเยอะเลยเพ <l ux> ื่อนมาเยี่ยหาให้เลยเอาอย่ น, นเอาธรรมะมาสอนอยูครบเราไว้ไม่เสียหายหรอกพูดเ <l ux> <l ux> องดีเรามันคมีบุญเก่ามาสองนนี้เออจะหนูว่าเกิดในตระกูลที่ยากจนนะแล้ว <l ux> ก็ดีถ้ารวยแล้วมันจะหลง แต่ว่าสร้างฐานะได้ตัวเองค่ะถ้าจนแล้วมันไม่หลงมันไม่มันต้องไม้หไม่ลืมว่าเราเคยจนแบบไหนใส่รองเท้าขาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยลืมชาติคำเนิดใช่พ่อแม่เราจะจนแค่ไหนแล้วก็บูชาไวทูลแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความจนถ้าคนเกิดมารวยนี่เวลาจนนี่หอทุกข์มากพอจนไม่เต็มถ้าเคยเคยจนมาแล้วนี่ไม่กลัวความจนค่ะเพราะความลำบากนม่สู้อียแล้วแต่หนูก็รู้ว่า การสู้ชีวิตนี่ทำให้เรามีได้ถึงแม้ว่าหนูว่าจบแค่ป .6 ค่ะเพราะว่าคนจนแต่ปัญญามันเหนือป .6 จะมีบุญเก่ารู้เหตุรู้คเนี่ยปัญญารู้ตนรู้บุคคลรู้กาลเทศะรู้ประมาณรู้สังคม อย่าไปพให้มันบ้าไปเลยอย่บ้าสนใจะนอยู่ในขั้นหนูรู้แต่ว่าหนูดูตัวหนู่งไหนแล้วขอให้ข้ากเลได้ก็พอข้นไหนก็ได้อย่าไปบ้าไงโดาโสดาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงไปใหญ่เลยหลง่ะนแบบขั้นไหนแล้วหลงอยู่ในชาในยานในอะไรหนูไม่เคยสนใจอกคนปฏิบัติไม่สนใจหรอก ความไม่ปฏิบัติชอบสนใจไม่ใช karaoke, i, ่รู้แต่ว่าว uh uh ันน uh uh uh ี uh <t uh> <t uh ้เราสงบเปล่าเอาจให้พอแล้วเราจะกลายเป็นทําเมาไปแล้วยะถาวาวหาภูลาปริะภูเรงติสาขางเอวเมวะอิโตทิยังเตตานังอุปตะปติ อิทิตังปัติตังตุมหังทิพมะเมวาสมิจโตุสัพเพตุเรนโุสังกะปาจันโถปัญนาระโสยะถานานิสโสโสติยระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพาร โ, โควีนัสโตมาเตภวะตุนจราโยสุขีทีพายุโกภวะ <c oughs> อาติวาธนศิลปะนิจังวุธาปัจจายโนจัตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังทารังนั่นหนูังจาได้เลยที่อาจารย์บอกคนหนึงคนบอกญาติโยมหนู่ท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องไปห่วงทำมาหากินหรอก ปฏิบัติให้ได้ทําำะเดี๋ยวก็มีคนมาทําบุญทำไมก็พวกนักนบวชก็อยู่กันได้ไงเขาก็อยู่ได้เพราะเขามัก็มีธรรมพอมีธรรมแล้วก็มีคนศรัทธาเราจะไปหาคนไม่มีธรรมหรือเปล่าเวลาเราไปทําบุญเราไปทำบุญกับโจนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ไปทำบุญกับพระไปทําบุญคนดี ไม่มีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเลยเนี่ยแตการปฏิบัติมีไหมแล้วถขายความเพียรปัญหายากปัญปัญหาหนักที่สุดว่าือความเพียรความหลงคิดแต่เริ่อดี่าษาก็มันเป็นโง่ๆ่นะคะอะไรไม่ค่อยออกยังคุยกันยกเลยว่าเป็นโง่โ่ยังไงไม่รู้ก็เอาสารอาการถานที่สองไปเลย ทำอาการสายที่สองไปเรื่ยๆอาถ้าสงสาหนูนี่นีไปแล้วเสร็จแล้วทีนี้แล้วมันมันมันมันมีกระดูกเห็นกระดูกอยู่อันเดียวก็ก็กก็ต้องดูมันไปอย่างนั้นเหรอครับอาจไม่ไม่ท่านอย่างดูอย่างเดียวมันมันไม่มันโง่อย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นถ้าอยากใช้มันฉลาดก็ต้องดูอาการสาสองดูมันเปลี่ยนดูมันแก่ดูมันเจ็บดูมันตายดูมันมาอย่างไรไปอย่างไรอมันเริ่มต้นที่ตรงไหนร่างกายเนี้ยมันเริ่มต้นตรงไหน เรารียนพยาบาลมาไม่ใช่เหรอเราต้องไล่ไปแบบนั้นดูจุดเกิดดูจุดดับของมันดูการพัฒนาการดูการเสื่อมของร่างกายอมันมีวงจรของมันเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันโผล่มาจากท้องฟ้านีมันก็ต้องมีคนสองคนมานอนกันมาอยู่ร่วมกันแล้วพอมันมีเชื้อมาปนกันมันก็เกิดการก่อตัวขึ้นมาแล้วอะไรทําให้มัน มันโตเป็นล่างขึ others, <Okay. S 1> ้นมาก็เ huh. ล mm ือดน้ำเนื้ออาหารที่อยู่ในเลือดอะไรมันก็เจริญเติบโตเป็นอาการต่างๆผลผมเป็นขนเล็บฟันอะไรพอออกมาจากท้องมันก็กินข้าวต่อหายใจต่อกินน้ำต่อมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆกศึกษาดูสิเนี่ยถ้าอยากใช้ฉลาดต้องต้องวิเคราะห์ไงเหมือนกับพวกที่เขาทำวิจัยต่างๆปัญญาก็คือการวิจัย ดูร่างกายนี้ให้มันทะลุปูโป่ปงทุกในทุกมิติเลยเกิ<ม>ดแก่เจ็บตายข้างในข้างนอกเดินน้ำลงไปนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนดูของเราแล้วก็ดูของคนอื่นดูของพ่อดูของแม่ดูของพี่ดูของนอ้องดูของใครดูไปหมดเลยตอนนั้นรู้ว่ามันเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรไม่เหมือนกัน เราไปถ้ามันหลุดไปบางทีเราดูแค่ตรงนี้แล้วมันก็หลุดแต่เราก็มาตั้งใหม่หรือว่าเอก็ดก็อย่าไปให้มันคิดเรื่องไหนมันคิดแต่เรื่องร่างกายนี่แหละวิเคราะไปพิจารณาไปก็ต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยเวลามันเห็นใครมันจะไม่ได้เห็นเป็นนายกรนายขอมันเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกะหน้าเพ่งอย่างเดียวมันก็เป็นการเจริญสติอันนี้ไม่มีปัญญาเนี่ย บามีสติมีมีสมาธิบางทีปัญญาทึบหนว่าห <ไป S 3> นูหนูโง่ไงถ้าอยากจะฉลาดต้องเนี่ต้องแยกแยะวิเคาวิจัยดูการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออะไรก็อันนี้จังหดูอน้าตาก็คือดูว่ามันมันเราสั่งมันได้หรื ork? อเปล่ามันเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นของเรามันเราต้องสั่งมันได้เราสั่งมันได้หรือเปล่า มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เนี่ยดูสิเวลามันแก่มันสุขไหมเวลามันเจ็บมันสุขไหมดูไปสิมันของมโนนี่มัเนี่ก็เป็นการวิจัยไงเป็นปัญญาเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้มันแก่ใช่ไหมถ้ายอมรับมันแก่เราจะทุกข์ไหมยอมยอมให้มันเจ็บเราจะทุกข์หรือเปล่า ย้อนให้มันตายเราจะทุกข์มากที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่ยอมให้มันแก่ใช่ไหมไม่ยอมให้มันเจ็บใช่ไหเนี่ยพิจารณาไปแล้วมันก็จะหูตาสว่างขึ้นม า, เ, าเรีว่าปัญญ า, าแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าสติมันไม่มีกําลังไม่มีสมาธิมันจะคิดแต่ขนมนมเลยเยอกงกาแฟ มันก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปไหนสักทีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกินเรื่องอยู่แต่หาทางสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยไม่มีปัญญาเรื่องของความหลงนะที่พวกเราคิดกันนะอล้น่าสี่โมงแล้วไม่มีใครถามอนะไรใช่